มาทำบุญมาสะสมบารมีมาสร้างกุศลให้แก่ชีวิตจิตใจเพื่อความสุขความเจริญด้วยอายุวันณะสุขภะละเกิดจากการที่เราให้ทานรักษาศีล บำเพ็งจิตภาวนาทำจิตให้สงบทำใจให้ฉลาดด้วยการเจริญปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ตัดความหลงในชีวิตตัดความหลงในสุขภาพตัด ความหลงในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะชีวิตของเรานั้นมันมีมีขั้นตอนของมันมันไม่หยุดอยู่กับที่เมื่อเกิดแล้วมันก็จะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะแก่จะเจ็บและจะตายไปนีที่สุด ถ้าใจเรารู้ทันเรื่องราวเหล่านี้เวลาที่เราแก่ลงไปเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะตายเราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ได้จเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆความหลงจะ ทำให้เราคิดอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายอยากจะไม่จากสิ่งที่เรารักไปหรืออยากไม่ให้สิ่งที่เรารักจากเราไปพอเป็นอย่างนั้นใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างยิ่งเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงนั่นเอง เวลาเกิดความจริงขึ้นมาแล้วก็เศร้าซ้อยงนอยเหงาเศร้าโศกเสียใจอะไรอววรกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจเหมือนกับร่างกาย เวลาที่เด็กคลอดออกมาใหม่ๆจะมีการฉีดยาชนิดต่างๆเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้ามาทาลายทาร้ายร่างกายของเด็กได้พอได้ฉีดวัคซีนต่างๆแล้วโรคภัยต่างๆที่จะเข้าไปในร่างกาย ก็จะไม่สามารถทำร้ายร่างกายได้เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันนั่นเองฉันใดใจของเราก็ต้องมีภูมมคุ้มกันเช่นเดียวกันใจของเราก็ต้องการยาไว้ป้องกันเหมือนกันยาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เรียกว่าธรรมโอสถเป็นยาธรรมะ เป็นความจริงที่พวกเราทุกคนจะต้องเผชิญจะต้องรับรู้และจะต้องยอมรับถ้าเรายอมรับได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราทุกวันนี้เรารับกับการขึ้นกับการตกของพระอาทิตย์ได้พระอาทิตย์เวลาขึ้นเราก็ไม่ มีความรู้สึกอะไรเวลาพระอาทิตย์ตกลงไปเราก็รู้สึกเฉยเฉยหรือช่วงกลางวันมีพายุมีเมฆมีเมฆมีหมอกมาปกคลุมหุ้มหอ่อทําให้ไม่เห็นแสงอาทิตย์เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรารับความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองเช่นเดียวกับเรื่องของร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น เรารับความจริงของความแก่ได้รับความจริงของความเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับความจริงของของความตายได้รับความจริงของการพัดพรากจากกันได้<ม>เวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจมีภูมิคุ้มกันนั่นเอง ภูมได้รับการได้รับการสั่งสอนอยู่เรื่อยๆจนคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่คิดอยู่ตลอดเวลาเราจะเผลอคิดไปทางตรงกันข้ามทันทีเราจะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บ <c oughs> อยากไม่ตายอยากไม่พัดพลากจากกันทันทีพอเกิดความอยากแล้ว ความกวนกวาวยความกังวลต่างๆก็จะตามมาทันทีความกวนกวาวยความกังวลเหล่านี้ไม่ได้ไปห้ามความจริงไม่ให้เกิดความจริงนี้ไม่มีใครห้ามได้เพราะว่ามันเป็นความจริงนั่นเองดังนั้นเราอย่าไปห้ามความจริงเราอย่าไปสวนกระแสกับความจริง เราจะเหนื่อยไปเปล่าๆ เ, เหมือนกับว่ายน้ําว่ายถวนน้ําว่ายถวนน้ํามี่ว่ายไปเท่าไหร่ก็สู้กระแสน้ําไม่ได้ในที่สุดกระแสน้ําก็ต้องพัดเราไปตามกระแสอยู่ดีแต่ถ้าเราปล่อยให้กระแสน้ําพัดเราไปเราก็ลอยไปลอยลอยไปตามกระแสน้ําอย่างสุดอย่างสบายมันจะพาเราไปที่ไหนก็มันก็ให้มันพาไป <c oughs> มันเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้ก่อนมาแล้วไม่มีใครแก่ใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากจากกันทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลากจากกันอยู่ที่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายแบบไหนจะแก่จะตายแบบสบายใจหรือจะแก่จะตายแบบ ทุกใจอยู่ที่เราอยู่ที่ว่าเรามีธรรมะหรือไม่เรามีเราเราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆหรือไม่ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้นี่แหละเป็นยาที่จะรักษา ใจเป็นยาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ใจถ้าเรามียาธรรมะโอสถอยู่ในใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้เลยนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะถ้าเราไม่มีธรรมโอสถ แต่เรามีอย่างอื่นเช่นมีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่เงินทองกองเท่าภูเขาจะไม่สามารถมาปกป้องใจของเราให้หนีเหนือความทุกข์ความกังวลกวายใจได้อยู่เหนือความกังวลอยู่เหนือความกลัวต่างๆได้ต่อให้มีอาวุธ นียามรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาก็ตางแต่ความตายมันก็ยังสามารถตามมาถึงเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยขนาดไหนก็ยังหนีไม่พ้นความตายดังนั้นเราอย่าไปกลัวความตายอย่าไปกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปกลัวความแก่ เพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมีแต่จะทําให้ใจของเราทุกไปเปลา่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องสอนใจอยู่ได้เรื่อยเรื่องของความจริงของความแก่ความเจ็บความตายแล้วใจของเราจะไม่กลัวใจของเราจะมีความกล้าหาญพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับ ความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบายเหมือนกับเรารเผชิญกับอากาศเช่นฝนตกดาดออกลมพัดมาอย่างนี้เป็นต้นเรารับได้อย่างสบายเราไม่เดือดร้อนอะไรเช่นเดียวกันกับการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาคจากกันก็เป็นสิ่งที่ เราสามารถที่จะเผชิญกับมันได้อย่างสบาย อ, อกสบายใจถ้าเรามีคูมคุ้มกันถ้าเรามีธรรมโอสถวิธีที่จะทำให้มีธรรมโอสถก็คือเราต้องในเบื้องต้นเราต้องไปศึกษาจากผู้ที่มีธรรมก่อนอย่างวันนี้เราก็มาศึกษาจากที่วัดนี้ วันนี้เราได้ความรู้ไปแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันเราก็คอยเอาไปเตือนใจอยู่เรื่อยๆออกจากที่นี่แล้วก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดแล้ว ความคิดอย่างอื่นก็จะมาล้างความคิดเหล่านี้ไปหมดจนเราลืมไปเลยพอเราลืมไปแล้วความหลงก็จะมาหลอกให้เราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอีกแล้วเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์เกิดความกวนกวาใจเกิดความกังวลเกิดความหวาดกลัวต่างๆ ตามมาดังนั้นหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนําเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆคิดอย่างนี้แหละที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ต้องพัดพากจากกันล่วงพ้นความพัดพากจากกันไม่ได้คิดอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนจนกว่ามันจะฝังอยู่ในใจ เหมือนกับปลูกต้นไม้ในระยะแรกๆเราต้องหมันให้น้าอยู่ทุกวันทุกวันให้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้นไม้โตสามารถอยู่ตามลำพังของเขาได้แล้วไม่ต้องให้เราลดน้ำให้กับเขาอีกแล้วเราก็หยุดลดน้ำได้ฉันใดเมื่อเราคิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันติดใจยอยู่ตลอดเวลามันไม่ลืม พอถึงเวลานั้นแล้วเราไม่ต้องไปคิดอีกแล้วพอเราเห็นใครตายเราก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วเราก็จะมองกลับมาที่ตัวเราว่าเราก็จะต้องตายเหมือนกันเวลาเราเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราเราจะไม่รู้สึกอะไรกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราเห็นคนแก่เราก็จะนึกเช่นเดียวกันว่า เดี๋ยวเราก็ต้องแก่เหมือนกันแต่เราจะไม่มีความวุ่นวายใจไปกับความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเป็นสิ่งที่วิเศษมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาเพราะเงินทองกองเท่าภูเขานี้จะกลับกลายเป็นกองทุกขมาทับถมเรา ยิ่งมีเงินทองมากก็ยิ่งอยากจะอยู่ไปนานๆก็ยิ่งจะทุกข์ทรมานใจเข้าไปใหญ่ยิ่งไม่อยากจะพัดพาดจากเงินทองก็ยิ่งทุกข์ทรมานเข้าไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียวคนที่รวยกับคนที่จนเช่นขอทานนี้เวลาตายนี่ขอทานตายอย่างสบายกว่าคนรวยตายคนรวยตายด้วยความทุกข์ทรมานใจ เสียดายเงินทองที่อุตส่าห์หามาแทบเป็นแทบตายพอตายพอจะตายแล้วก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปแต่คนขอทานนี้เวลาจะตายกับรู้สึกดีใจว่าหมดทุกหมดหมดความยากจนไปเสียทีอยู่มาลำบากลำบนมานานแสนนานตายได้ก็ดีนี่แหละเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงคิดว่าเรามีเงินทองมากๆแล้วเราจะอยู่เหนือความทุกข์ได้เราจะมีแต่ความสุขนี้เป็นความคิดผิดเรากลับจะมีความทุกข์มากขึ้นใหญ่เพราะเมื่อเรามีเงินทองแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องมีคนมาขอเงินมายืมเงินอยู่ตลอดเวลาให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ไม่ให้เขาก็โกรธเขาก็เกลียดเราเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปกลายเป็นคนใจจืดใจดำไปนี่แหละมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเอาไปใช้เพื่อซื้อความสุขเราก็จะติดกับความสุขเหล่านั้นเป็นเหมือนกับคนติดยาเสพติดเวลาวันไหนไม่ได้ใช้เงินซื้อความสุขมาวันนั้นก็จะรู้สึก ไม่สบายใจไม่มีความสุขแต่ถ้าซื้ออยู่เรื่อยๆมันก็จะเกิดความจำเจเกิดความเบื่อหน่ายไม่เป็นความสุขเหมือนสมัยแรกๆเวลาสมัยที่เรามีเงินใหม่ๆนี้เราซื้ออะไรได้เรารู้สึกมีความสุขมากแต่พอเราซื้อบ่อยๆเข้าทุกวันทุกวันเราก็จะเกิดความเบื่อขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ให้ความอิ่มแก่ใจนั่นเอง ซื้ออะไรมามากน้อยเพียงไรใจของเราก็ยังรู้สึกหิวยังอยากได้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอสิ่งที่ได้มาก็ไม่มีความหมายแล้วซื้อมาแล้วก็โยนเก็บไว้ในตู้ทิ้งไว้ในบ้านแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ๆใหม่บางคนมีจึงมีของเข้าของล้นบ้านจน จนไม่มีที่จะนอนที่จะหลับไม่มีที่เก็บของเพราะว่าหลงคิดว่าเมื่อได้ซื้อสิ่งต่างๆมาแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วขณะที่ได้ซื้อเท่านั้นเองเพอหลังจากนั้นแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิมอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่ตามนำพังไม่ได้ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาคนนั้นคนนี้มาบำรุงบำรเอมาให้ความสุขอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงออกบวชพระพุทธเจ้าก็มีเงินทองกองเท่าภูเขามีสมบัติมีอะไรมากมายกายกองแต่ทรงเห็นว่ามันไม่ได้ ทำให้ใจนี้อยู่เหนือความทุกข์ไปได้เลยกับมีความทุกข์มากกว่าเสียอีกกับมองเห็นคนที่ออกบวชนั้นแสนจะสุขแสนจะสบายไม่มีใครไปรบกวนไม่มีใครไปคอยขอเงินขอทองไม่มีใครไปคอยต้นคอยจี้อยู่ในปา่าไม่มีไม่มีบ้านไม่มีห้องไม่มีที่ ที่ป้องกันภัยแต่ก็ไม่มีใครไปทำร้ายเพราะไม่มีอะไรนั่นเองมีแต่ตัวเปล่าๆอยู่อย่างนั้นแหละจะมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายได้อย่างสบายดังนั้นเราจึงควรที่จะทำตามพระพุทธเจ้าพยายามตัด ความสุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองนี้ไปเสียอย่าเอาเงินทองมาซื้อความสุขเอาเงินทองมาซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพเช่นอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าแต่ก็ให้ซื้อเท่าที่จาเป็นเอาเท่าที่จำเป็นอย่าเอามากไม่เกิดประโยชน์อะไร เสื้อผ้าสี่ห้าชุดนี้ก็พอแล้วพอไว้สลับกันใสแล้วก็อาหารก็รับประทานพอประมาณอย่ารับทานตามความอยากของใจให้รับตามความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ไม่ต้องการอาหารมากเหมือนกับใจต้องการถ้าคิดรับประทานอาหารตามใจอยากแล้ว จะกลายเป็นคนอ้วนไปเพราะรับประทานเกินความต้องการของร่างกายเหมือนกับน้ำมันรถน้ำมันรถนี่เราเติมได้เพียงเต็มถังเท่านั้นแต่ท้องเรานี้มันวิเศษกว่าถังน้ำมันเพราะมันมันยืดได้นั่นเองกินไปเท่าไหร่อยากจะกินก็กินก็ไปได้มันก็จะยืดออกไปเรื่อย จนร่างกายนี้กลายเป็นตุ่มไปเพราะนี่กินแบบความอยากกินแบบนี้เป็นโทษกับใจและเป็นโทษกับร่างกายเพราะจะหิวอยู่เรื่อยๆจะต้องคอยกินอยู่เรื่อยๆถ้ากินเพื่อร่างกายแล้วกินวันละครั้งหนึ่งก็พอเพียงอย่างพระที่ท่านเป็นพระปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านจะฉันนุ้ยเดียว ฉันเช้าเช่นวันนี้ฉันเสร็จแล้วก็จบแล้วเรื่องรับประทานอาหารจะฉันอีกครั้งหนึ่งก็อีกยีสสี่ชั่วโมงในวันต่อมาอยู่มาได้อย่างสุขอย่างสบายร่างกายก็ไม่อ้วนโรคภัยต่างๆก็ไม่เบียดเบียนเบาหวานความดันโรคหัวใจก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี่ย ดังนั้นการใช้เงินทองเพื่อซื้อปัจจัยสี่มาดำรงชีพนี้จึงควรจะใช้ให้รู้จักประมาณพอประมาณอย่าไปหลงละเิงกับความอยากของใจเช่นซื้อเสื้อผ้าก็ต้องซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาใส่เพราะการใส่เสื้อผ้านี้ก็เพื่อปกปิดอวัยวะปกปิดร่างกายเท่านั้นเองไม่ได ซืเสื้อผ้าราคามาเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่ได้ทำให้เราวิเศษขึ้นแต่อย่างใดมันลก็ไม่ได้ทำให้เราสวยขึ้นแต่อย่างใดเพราะความสวยงามของคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรแต่อยู่ที่ใจที่มีศีลรธรรมหรือไม่เป็นใจที่ซื่อสัตย์สุดจริญหรือใจที่ทุจริญไม่ซื่อสัตย์ เวลาเราครบกับคนเราอยากจะคบกับคนแบบไหนคนที่ซื่อสัตย์สุดจริตหรือคนที่ทุจริตไม่ซื่อสัตย์เราชอบคนพูดความจริงหรือเราชอบคนพูดโกหกหลอกลวงเราชอบคนลักขโมยหรือเราไม่เราชอบคนไม่รักขโมยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความสวยงามของเราควรจะเสริมความงามด้วยการ มีศีลมีสัตด์อย่าไปเสี่ยงความงามด้วยการใส่เสื้อผ้าอาคออาอภรณ์ราคาแพงๆสวยๆงามๆประดับเพชรประดับพลอยอย่างนี้มันไม่ได้ทําให้เราสวยงามขึ้นหรอกพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุดเจริญเราก็จะไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเราต้องชนะผู้อื่นด้วย ความสวยงามของจิตใจอย่าชนะผู้อื่นด้วยความสวยงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภารรแต่จิตใจนั้นกับไม่สวยงามเป็นต้นไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะสัมผัสกับความไม่สวยงามของเรานี่คือเรื่องของการใช้เงินถ้ามีความจำเป็นก็ใช้เท่าที่จำเป็น อย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มชนิดต่างๆตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจิตใจ ไม่ได้สร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับจิตใจไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาที่จะมาเผชิญกับความแก่กับความเจ็บกับความตายกับการพลาดพลาดจากกันแต่กลับจะทำให้หลงยึดติดมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่อยากแก่มากยิ่งขึ้นทำให้ไม่อยากตายมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยมากยิ่งขึ้น เมื่อมีความอยากเหล่านี้อยู่แล้วความทุกข์ทรมานใจก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับความสุขทางโลกเราอยู่แบบสัมมัตทะมักน้อยสันโดษเราอยู่กับธรรมะเราคอยภาวนาสอนใจของเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ตลอดเวลาใจของเราจะนิ่งสงบ จะเย็นจะสบายจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆจะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปอยู่ดีเอามาทำไมหามาแทบเป็นแทบตายพอถึงเวลาตายก็เอาไปไม่ได้พอถึงเวลาแก่ก็ใช้มันไม่ได้ เวลาแก่แล้วอยากจะไปเที่ยวเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำไม่ได้นี่แหละเราจึงอยากเสียเวลากับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เมื่อที่ไม่ได้ช่วยให้ไทยช่วยให้ใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ได้ขอให้เราใช้เวลากับสิ่งที่จะทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากความกลัวหลุดพ้นจากความวิตกกังวลต่างๆด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอามาคิดอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่าไปคิดเรื่องอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่องอื่นที่เราคิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นไป สร้างความอยากสร้างความกังวลสร้างความหวาดกลัวให้กับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดอยู่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วอะไรเกิดขึ้นมาเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราคิดว่าอย่างมากก็ตายเศรษฐกิจจะตกต่ำก็ช่างมันอย่างมากก็ตายเขาจะมีปฏิวัติกันเขาจะฆ่ากันมีสงครามกันอย่างมากมันก็แค่ตาย เราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงกับการขึ้นขึ้นลงลงของสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะเรามีเรามีภูมิคุ้มกันนั่นเองถ้านั่งอยู่บนระเบินก็เหมือนกับเรามีร่มชูชีพเราไม่กลัวว่าเครื่องบินจะตกเวลาเครื่องบินจะตกเราก็กระโดดออกเรามีร่มชูชีพกลาง ให้เราลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยฉันใดถ้าเรามีธรรมโอสถอยู่ในใจมีภูมิคุ้มกันความจริงที่จะเกิดขึ้นแล้วเวลาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่กระทบกับจิตใจของเราจิตใจของเราจะอยู่อย่างปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจของเรานี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆนั่นเอง ใจของเราไม่ตายไปกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่สามารถไปทำลายล้างใจของเราได้แต่สิ่งเดียวที่ทำลายล้างใจของเราได้ก็คือความโง่เขลาเบาปัญญาของใจเองคือความหลงคือการขาดภูมิคุ้มกันขาดธรรมโอสถนี้เท่นั้นทุกวันนี้ที่ใจของเราทุกหุ่นวายเศร้าโศกเสียใจ กังวลกับเรื่องต่างๆวาดกลัวกับเรื่องต่างๆก็เพราะใจของเราไม่มีธรรมโอรสนี้เองที่จะมาคอยปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นจึงขอให้เราหมั่นศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆศึกษาแล้วก็นำเอาไปคิดเอาไปคิดแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติ พอเรารู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็จะได้ลดเวลาที่จะไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆมีสมบัติข้าว ข, ของเงินทองที่เหลือยินเหลือใช้ก็เอาไปจําหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความอิ่มใจมีความสุขใจและเราจะมีเวลาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ใจมากยิ่งขึ้นไป จนในที่สุดเราจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมโอษฐ์เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป